ลำดับที่สามเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2552โดยพระคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าพาวาาวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมโอ ได้พระสัมพุทธสูวิสูท่าสันดาตัมูลก่เล หนึ่งนายพระไทยท่านก็เปิดปานคือดอกกุห คนทะากำจอมองค์ได้ประกอบด้วยราคาลุณาดังสาข้อ โปรดมุ on, ่ประชากนมาโอกาคันดาจิทางบรรเทาทุก ชีสศูนย์กสิมสารชีทางพระนาริกาอัาน พร้อมเป็นชจ้าพิทักษเจ้าสู่จารดวิมลสายเห็น พอเจนจบพระจักจริงกำจัดน้ำใจยาสันดานบาปแห่งชา ย, ยิ อืม mm hmm. อาบน้ำนีรันดร์ขอเจริญพอรอ่าวนะเจริญพรโยมก็ได้เจริญพุท ธ, ธานุสติกันประมาณสิบห้านาทีอันพราชฉนนั้นขอให้โยมจำความรู้สึกนี้ไว้ กลับไปบ้านนะเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เมื่อเรากราบครั้งที่หนึ่งขอให้กราบด้วยความรู้สึกเช่นนี้นะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จิตใจเราเกิดความอิ่มเอิบผองใสในพระคุณของท่านที่ท่านมีต่อพวกเราหรือแม้แต่กระทั่งโยมไหว้พระสวดมนต์อ ร, ห, <c oughs> อรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์แตสรุรอบชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังพระควรังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้ยมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ารู้สึกถึงความประเสริฐของพระพุทธเจ้ารู้สึกถึงพระมหากรุณาพระปัญญาพระบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและเมื่อเรากราบลงอภิวาทขอให้เรากลับลงด้วยใจจริงของเรา ถ้ายมทำอย่างนั้นเนี่ยเพียงแค่ยมกราบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะภาวะปิติความหิมเอิบใจความสุขเกิดขึ้นกับโยมละโยมสุดมลอย่างเนี้โยมได้เต็มที่เลยหนึ่งรู้ความหมายสองน้อมใจตามความสุขความดีงามความสงบเกิดขึ้นกับโยมด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องราวของสุมเมตาบทเห็นไหมได้ยินคำว่าพุโทโธเท่านั้นเกิดปิตินั่นไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยจากความจริงเลย แม้อนาถปิณติกาเศรษฐีก็เช่นเดียวกันได้ยินเพื่อนที่เป็นเศรษฐีของชาวกรุงราชคลึกพูดว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นปิติท่านเกิดขึ้นทันทีขอให้ฝึกไว้เยอะๆเถอะน ะ, จะเจริญพุทธคุณให้เยอะๆแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไม่ใช่อยู่ที่พระเครื่องแต่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราทุกครั้งที่เรานึกถึงทุกครั้งที่เราน้อมรึกนึกถึง ขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราตลอดมีพระคุณของท่านอยู่กับในใจของเราตลอดสำนึกในพระคุณของท่านแล้วตั้งใจทำคุณงามความดีให้สมกับความเสียสละความลำบากและการอุทิศตนของท่านเพื่อให้พวกเราพ้นจากความทุกข์นะสำหรับในวันอาทิตย์นี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาโยมได้วิธีฝึกกรรมฐานอย่างที่หนึ่งแล้วนะคือพุทธานุสตินะพุทธานุสติ ขอให้โยมกลับไปฝึกไวัยวันนี้คงจะบอกเรื่องอานิสง์ไม่ทันนะอานิสง์ของการลึกนึกถึงพุทธานุสตินั้นมีเยอะมากนะมีเยอะเลยเอาไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาตมาจะมาเล่าให้ฟังต่อะจะมาเล่าให้ฟังต่อในเรื่องของการฝึกพุทธานุสติแล้วก็อานิสง์รวมถึงข้อบเบ็ตเตล็ดปลีกย่อยต่างๆด้วยจะได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการฝึกของพวกเราให้จิตใจเราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลา มันพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตมันก็หวังว่าโยมจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันทุกๆคนนะด้วยการฝึกพัฒนาจิตจิตใจของเราอย่างน้อยแลึกนึกถึงท่านเห็นธรรมนะเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงของธรรมชาตินั่นแหละเท่ากับว่าเราได้เข้ า, าพระพุทธเจ้าเราได้เห็นพระองค์ที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเอานะวันนี้ก็คิดว่า พอสมควรแก่เวลาอาตมาก็คงจะขอจบการบรรยายและการนำปฏิบัติพุทธานุสติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปก็ขอให้โยมตั้งจิตแผ่เมตตานะวันนี้เราได้ฟังธรรมเจริญในเรื่องของพุทธานุสติมีจิตใจที่ดีงามผา่องใสมีความพิม์เอิบในจิตใจแผ่ความดีงามเหล่านี้ออกไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เขารู้สึกถึงความดีงามมีความสุขเหมือนอย่างที่เราเป็นแล้วก็ได้รับบุญกุศลเหมือนกับอย่างที่เรากำลังได้รับอยู่นขณะนี้นะเอาน ะ, จะเจริญพรก็เดี๋ยวอาตมา จ, จะนำในการแผ่เมตตาแล้วโยมก็กล่าวตามาากรรม